ตัวอย่างสื่อต่างชาติบิดเบือนความจริงในหลวงไม่ได้ส่งร่ำรวยที่สุดในโลกตามที่นิตยาสารต่างชาติอ้างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้เผยข้อมูลประจำปีพุทธศักราช2553และชี้แจงสรุปความได้ว่าตามที่นิตยาสารได้ลงบทความว่า ในหลวงเป็นพระมหากษัตริย์รวยที่สุดในโลกนั้นไม่เป็นความจริงพระราชทรัพย์ของในหลวงคือทรัพย์สินส่วนพระองค์ส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินของรัฐและของแผ่นดินซึ่งมีรัฐบาลโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบถือเป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่งแต่ก็ยังมีผู้เข้าใจผิดเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย หลังปีพุทธศักราช2479พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สปอกอนำที่ดินประมาณครึ่งหนึ่งประมาณกว่า 44,000 ไร่ไปจัดสรรให้ประชาชนได้มีที่ทำกินและได้ทรงตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบนที่ดินเหล่านี้ด้วยที่ดินในความดูแลของสำนักงานทรัพย์สิน ไม่ได้ถูกใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์่ากเอกชนทั่วไปโดยที่ดิน 93% ให้เช่ากับหน่วยราชการองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมและประชาชนที่มีรายได้น้อยรวมถึงชุมชนอีกกว่าร้อยแห่งในอัตราที่ต่ำมากจนแทบเหมือนจะให้ฟรีมีที่ดินประมาณ 7% เท่านั้นที่ให้เอกชนเช่าในเชิงพาณิชย์มีการลงทุนหลักในสองกิจการ คือธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทปูนซีเมนไทยเป็นการลงทุนของสำนักงานทรัพย์สินสรุปคือในหลวงไม่ได้ทรงร่ำรวยที่สุดในโลกและนิตยสารระดับโลกก็บิดเบือนข้อมูลอย่างไม่น่าเชื่อในขณะที่ผู้นำประเทศอื่นที่อาจรวยกว่ามากกลับไม่เอาทรัพย์สินหลายส่วนมารวมไวในการจัดอันดับซึ่งล่าสุดกษัตริย์องค์หนึ่งที่ถูกจัดอันดับก็ประกาศออกมาเองว่า ท่านทรงมีทรัพย์สินมากกว่าที่นิตยาสารได้จัดอันดับไว้ทั้งหมดถือเป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างจงใจและไม่น่าให้อภัยมีการนำประเด็นนี้มาขยายต่อไปในวงกว้างจนมีประชาชนหลงเข้าใจผิดจำนวนมากพระบรมมหาราชวังถือเป็นสมบัติของชาติที่ดินถนนราชดำเนินถือเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนทรัพย์สินจานวนมากที่นามาจัดอันดับเป็นสมบัติของแผ่นดิน ไม่สามารถนำไปตีราคาหรือจำหน่ายจ่ายโอนได้หลายส่วนเป็นทรัพย์สินประจาตำแหน่งที่ต้องส่งต่อให้กับพระเจ้าอยู่หัวราชการต่อไปการถือครองหุ้นต่างๆเป็นไปในานามของสำนักงานทรัพย์สินซึ่งกระทรวงการคลังดูแลดอกผลที่ได้ถูกนำมาทำประโยชน์ให้สังคมมากมายโดยจัดตั้งเป็นมูลนิธิและจัดทาโครงการเพื่อประโยชน์ของสังคมในหลายด้านซึ่งทุกท่านสามารถดูรายละเอียด ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสมบัติของแผ่นดินที่มีมูลค่ามหาศาลกลับถูกสื่อต่างชาติบิดเบือนว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกอีกครั้งที่ทำให้เห็นว่ากระบวนการสร้างข่าวเพื่อทำ้ายประเทศไทยต้องการล้มสถาบันมีพลังและครอบคลุมไปถึงสื่อหลักของโลกได้แค่ไหนดังนั้น การเชื่อข้อมูลจากบุคคลที่มีศีล น, น่าจะมีน้ำหนักกว่าสื่อสาธารณะที่คนยุคใหม่บูชาปักใจเชื่อยิ่งกว่าคนชาติเดียวกันและบรรพบุรุษของตนเองอธิบายเพิ่มเติมนะครับทรัพย์สินคือสมบัติที่ตกทอดสะสมมาหลายรัชกาลดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องมีจำนวนมากนะครับและว่ากันตามตรง ขอมีค่าต่างๆที่เป็นสมบัติประจำราชวงศ์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินทรัพย์สินส่วนใหญ่ของสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์คือที่ดินซึ่งแน่นอนนะครับว่าต้องมีมูลค่ามหาศาลถ้านำมาตีราคาในขณะที่จัดสรรแบ่งปันให้ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วส่วนหนึ่งจานวนมากที่เหลือซึ่งเป็นพื้นที่สาคัญ ก็จัดสรรให้องค์กรการผุ้สนและชุมชนต่างๆได้เช่าในราคาถูกที่เรียกว่าแทบจะเหมือนให้ฟรีนะครับการที่ให้เช่าก็เป็นธรรมดาเพราะถ้าให้อยู่ฟรีก็จะสามารถยึดครองเป็นของตนได้แล้วปัญหาอาจเกิดขึ้นตามได้นะครับยกตัวอย่างที่ดินชุมชนในย่านที่มีราคาแพงสมบัติของแผ่นดินจริงๆถือว่าเป็นของส่วนกลางนะครับอยู่ดีๆจะมายกให้ฟรีจะใช้หลักเกณฑ์อะไรละ่ะ พราะใครก็อยากได้คนได้ไปก็อาจเอาไปขายให้ในายทุนอีกทอดสู้ทําแบบทุกวันเนี้ยก็คือให้เช่าราคาเหมือนให้เปล่าแล้วให้คนจนหรือองค์กรการกุศลได้ใช้ทําประโยชน์ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับสมบัติที่นํามาตีราคาจัดอันดับให้เป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกถือได้ว่าส่วนใหญ่เป็นของส่วนรวมเป็นของแผ่นดินกษัตริย์ประเทศอื่นท่านก็มีที่ดินมากนะครับ แต่ไม่ได้เอามาให้ประชาชนใช้ประโยชน์เท่าอย่างประเทศของเราแล้วจะถือว่าในหลวงทรงรวยที่สุดในโลกได้ยังไงและการใช้คําเนี้ยก็บิดเบือนทางอ้อมเพราะกษัตริย์ทั่วโลกมีแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยที่ไม่เคยเป็นขี้ข้าเมืองขึ้นของฝรัง่งไม่ได้ถูกกวาดทรัพย์ในราชวังไปเหมือนประเทศอื่นก็ย่อมมีสมบัติล้ําค่าเหลือไว้มากกว่าประเทศอื่นเมื่อ น, นํามาตีราคา ก็ย่อมอยู่ในอันดับที่ดูเหมือนจะเป็นต้นๆแต่ความจริงแล้วมีใครเคยบอกไหมครับว่าทั่วโลกเนี่ยมีระบบกษัตริย์เหลือแค่20กว่าราชวงศ์เท่านั้นการจัดอันดับเป็นการเอาอันดับของราชวงศ์ที่มีอยู่ไม่มากมาจัดไม่ได้รวมกับคนทั่วไปซึ่งเศรษฐีคนธรรมดาทั่วไปที่รวยกว่าราชวงศ์เราก็ยังมีอีกมากนะครับส่วนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นเรื่องปกติของกองทุน ที่ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งมาดูแลหน่วยงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เมื่อมีเงินมีทรัพยากรอยู่ในองค์กรจะไม่พัฒนาให้เกิดประโยชน์เลยหรือครับหุ้นในบางบริษัทก็ได้มาจากรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐขอแลกกับที่ดินบางส่วนด้วยความจําเป็นที่เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็แลกเปลี่ยนกันไปดอกผลที่งอกเงยจากการบริหารสานักงานทรัพย์สิน ก็มีการนำไปใช้ประโยชน์ให้ประชาชนอีกหลายอย่างหลายโครงการจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินที่นำมาจัดอันดับนั้นถือว่าเป็นของแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินดังนั้นถ้าจัดอันดับกันรจริงๆเฉพาะพระราชทรัพย์ที่ใช้เพื่อส่วนพระองค์เท่านั้นผมเชื่อว่าในหลวงของไทยอาจจะไม่ได้ทรงอยู่ในสิอันดับแรกด้วยซ้าเพราะแม้ทรัพย์ส่วนพระองค์ที่เป็นมรดกตกทอดมายาวนาน ท่านก็ส่งพระราชทานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยต่างๆเป็นประจำตลอดมาแล้วก็ยังส่งก่อตั้งมู ล, ลนิธิหลายแห่งหลายโครงการที่ช่วยประชาชนบรรเทาทุกข์ได้หลากหลายวิธีตลอดชีวิตของพวกเราเนี่ยก็เห็นอยู่เป็นประจำนะครับสําหรับราชวงศ์ประเทศอื่นเราอาจจะแทบไม่ค่อยได้เห็นว่าท่านนามาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเท่าราชวงศ์ของไทยเลยซึ่งทว่ากันตามจริง ในหลวงท่านจะทรงสวยสุขจากพระราชทรัพย์โดยที่ไม่ต้องทรงงานให้เหนื่อยแบบนี้ก็ได้เพราะหน้าที่ช่วยประชาชนควรเป็นของรัฐบาลที่ต้องเอาภาษีมาจัดสรรให้ดีใช่หรือไม่ครับนักการเมืองที่หลายคนบูชามีไหมที่สละเงินส่วนตัวมาช่วยประชาชนแบบจริงจังมีไหมที่สอบตกหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลและจะขยันทํางานเพื่อช่วยประชาชนเหมือนเดิมทุกวัน การใส่ร้ายในหลวงมีมาตลอดหลายปีนะครับแต่ก็น่าแปลกที่เราไม่จริงจังในการแก้ข่าวหรือคิดจะทำความจริงให้ถูกต้องกันจริงจังปล่อยให้เขาโจมตีหรือใส่ร้ายได้ตลอดมาจนหลายคนเชื่อจนสนิทใจหลายประเทศเนี่ยล้มมามากแล้วนะครับเพราะการใส่ร้ายผู้นำทางจิตวิญ ญ, ญาณเป็นอันดับแรกถ้าไปสัมผัสคนในวงกว้างจริงๆจะรู้เลยนะครับว่า มีการเข้าใจสถาบันผิดมากมายแค่ไหนซึ่งเราทุกคนควรจะช่วยกันไม่ใช่ปล่อยให้เขาใส่ร้ายพ่อเราอยู่ฝ่ายเดียวนะครับ